วันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยสามสิบธันวาคมปีพุทธศักราชสอง6ั้าห้าสพอปลายเดือนธันวาตอนนี้ถือว่าปลายยังปลายแล้วนะนึกถึงอะไรยังไม่ออออีกเหรอเงินเดือน ปลายเดือนธันวานึกถึงอะไรนึกถึงปีใหม่ปีนี้ปี 2,556 ปีใหม่คือปีคือปี 2,557 ระหว่างปี 2,557 กับปี 2,558 อันไหนใหม่กว่ากัน88ใหม่กว่าเหรอ ระหว่างปี 2,558 กับปี 2,559 อันไหนใหม่กว่ากัน59ระหว่างปี 2,559 กับปี 5,000 อันไหนใหม่กว่ากัน 5,000 oh. ปีใหม่นี่ยังไม่เฉลยนะนี่ถามไปเรื่อยๆนะเรื่องปีเป็นเรื่องของการเวลาการเวลาเป็นของจริงหรือสิ่งสมมุติสมมุติ วันสมัยก่อนเนี่ยนะจะเริ่มวันจากเขาจะดูว่าแสงสว่างขึ้นเมื่อไหร่นับวันใหม่นับวันใหม่ตอนที่เป็นวันจริงๆเป็นกลางวันคือแสงตะวันขึ้นขึ้นมายังไม่มีดวงอาทิตย์ขึ้นมานะแต่แสงนำมาก่อนแล้วเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นวันใหม่จนถึงตะวันตกดินไปนับวันใหม่ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก็คือ หลังจากมืดไปแล้วมีแสงขึ้นมาอีกทีนะเรียกว่าเริ่มวันใหม่ตอนอรุณคนโบราณนะเริ่มวันใหม่ตอนอรุณคนปัจจุบันเริ่มวันใหม่ที่หลังเที่ยงคืนใช่มเที่ยงคืนตรงเที่ยงคืนเนี่เป็นวันสิ้นสุดวันเก่าเพราะฉะนั้นการที่จะตัดว่าวันใหม่ขึ้นที่ไหนหรือปีใหม่ขึ้นที่ไหนเนี่ยก็สมมุติเอาสมมติมาจากภาษาบาลีว่าสังมติ มติคือความเห็นสังไปว่าร่วมเห็นร่วมกันถ้าเราบอกว่าเอาเที่ยงวันเป็นการเริ่มวันใหม่แต่คนอื่นไม่เห็นด้วยเราก็เห็นอยู่คนเดียวไม่เป็นสมมุติไม่เป็นสมมุติคือไม่เป็นสังมติร่วมกันฉั้นต้องเห็นร่วมกันคนไทยเคยขึ้นปีใหม่เดือนเมษาทันไหมใครเกิดทันบ้างทันนะมีทันไม่กี่คนแล้วเราก็เปลี่ยน เปลี่ยนไปตามตามโลกตามสมมุติเราเปลี่ยนไปตามโลกที่เขานิยมกันก็คือเปลี่ยนเป็นหนึ่งมกราคมก่อนหน้านั้นอีกก่อนหน้านั้นเริ่มปีใหม่ขึ้นปีใหม่เดือนอ้ายใครทันตอนนั้นบ้างไม่ทันนั้นนะนะนานเกินนานเกินไปมันก็คือสมมุติเริ่มตรงไหนก็ได้สมมุติว่าเราเป็นพระเจ้าจักรพรรดิครองโลกโลกใบนี้ทั้งโลกเราจะ เปลี่ยนระบบสมัยก็ได้เอาวันเกิดตัวเองเป็นวันขึ้นปีใหม่ก็ได้ <Okay. S 1> นี่นะวันเริ่มต้นปีวันเริ่มต้นปีหรือว่าเป็นปีใหม่ปีนี้เป็นปีใหม่หรือปีเก่าปีเก่าถ้าตามตามความจริงแล้วเนี่ยเรื่องของการเวลาเนี่ยนะอย่างที่บอกแล้วมันเป็นสมมุติสิ่งจริงๆเนี่ยมันแสดงว่ามันมีความเปลี่ยนแปลง มีความต่อเนื่องสิ่งที่ปร า, ากฏจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอยู่ว่ามีอดีตมีปัจจุบันแล้วก็มีอนาคตอดีตแล้วก็ปัจจุบันแล้วก็ verses, อนาคตอดีตเป็นเหตุให้เกิดปัจจุบันปัจจุบันก็จะเป็นเหตุต่อไปให้เกิดอนาคตและอดีตปัจจุบันกับอนาคตเนี่ยไม่ได้ตัดขาดจากกันมันเป็นการต่อเนื่องต่อเนื่องกันเมื่อวานวันนี้พรุ่งนี้ปีที่แล้ว ปีนี้ปีหน้านี่นะเดือนที่แล้วเดือนนี้เดือนหน้าเราก็อาศัยความเปลี่ยนแปลงจึงกําหนดเป็นเวลาความเปลี่ยนแปลงระหว่างสว่างแล้วก็มืดแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างนีน้สว่างใหม่แล้วก็มันครบรอบอีกแล้วก็เรียกว่าขึ้นวันใหม่ดวงจันทร์จากเต็มดวงแล้วค่อยค่หายไปแล้วก็มาเต็มดวงใหม่มันครบรอบทีก็เรียกครบหนึ่งเดือนเดือนใหม่ ฤดูการเปลี่ยนไปจากหนาวแล้วก็ร้อนแล้วก็ฝนเดี๋ยวหนาวอีกกลับมาซ้ําอีกทีอ๋ออย่างงี้เรียกว่าครบครอบปีเมื่อก่อนเราเอาฤดูฝนเป็นหลักจึงเรียกว่าพรรษามีอายุกี่พรรษาพรรษาไม่ใช่เพาะพระนะเรียกเรียกคนทั่วไปก็เรียกว่าผ่านมากี่ฝนเห็นไหมผ่านมากี่ฝนไม่ค่อยไม่ค่อยเรียกว่าผ่านมากี่หนาว ผ่านมากี่ฝนเมื่อก่อนนี้จะใช้ริ้วฝนเป็นหลักเพราะว่าเราทำการเกษตรเราจะรอว่าเมื่อไหร่ฝนจะมาเราเราจะได้ทำการเกษตรเก็บเกี่ยวผลมันอยู่ที่เราให้ความสําคัญกับอะไรแล้วก็เอาสิ่งนั้นมาเป็นเครื่องหมายว่ามีการเปลี่ยนแปลงครบรอบอีกครั้งหนึ่งมันแสดงถึงว่ามันเปลี่ยนแปลงมันมีการเปลี่ยนแปลง ถ้านับตามนักปฏิบัติจริงๆเนี่ยถ้าถือตามพุทธพจน์สิ่งที่ล่วงมาแล้วจริงหรือไม่จริงสิ่งที่ล่วงมาแล้วไม่จริงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจริงหรือไม่จริงไม่จริงสิ่งที่จริงมีแต่ปัจจุบันนี้เท่านั้นสิ่งที่ล่วงมาแล้วท่านไม่ให้กำนึงถึงด้วยซ้าไปจึงจะเรียกว่าเป็นผู้เจริญภาวนามีสติอยู่ อย่าคำนึงอะไรอวรกับสิ่งที่ล่วงมาแล้วอย่าไปกังวลกับสิ่งที่ยังไม่เกิดให้รู้ในปัจจุบันนี่นะท่านบอกขนาดว่าท่านในที่นี้หมายถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกขณะว่าขะโนโวมาอุปัจจขาแปลได้ไหมใครใครเรียนมาบ้างคโนคือขณะขณะอย่าล่วงท่านไปเปล่าขณะเนี่ยเป็นปัจจุบันใหม่เสมอทุกขณะ ไม่ต้องรอให้ถึงวันปีใหม่ขณะแต่ละขณะเนี่ยใหม่เสมอถ้าปีใหม่อีกสองวันเนี่ยนะมันยังไม่ใหม่วันนี้เราวันที่สามสิบปีใหม่ยังไม่มาไม่ใช่ใหม่ยังไม่ใหม่ปัจจุบันนี้กําลังใหม่อยู่และใหม่อยู่ทุกขณะวันเนี่ยเป็นวันใหม่ขณะนี้กําลังใหม่อยู่สภาวะใหม่ใหม่สดๆให้ดูตรงนี้ดูสิ่งสดสด ไม่ใช่ดูของแห้งที่ต้องนึกเอาในอดีตไม่ใช่ดูสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นเลยในอนาคตเวลาเราจะดูอะไรดูของสดสดสิ่ ง, ง, งเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้อันนี้เป็นขณะใหม่ที่เกิดขึ้นจริงๆเวลาเรามีเทศกาลเราจะบอกว่าปีนี้ปัจจุบันนี้ยังเป็นปีใหม่อยู่ได้ไหมถ้าในทางปฏิบัติมันก็ยังเป็นปีปัจจุบันอยู่ ยังใหม่อยู่ปีใหม่จริงๆที่เราคิดว่าเป็นปีใหม่ยังไม่เกิดเพราะนั้นถามว่าไอ้ใหม่ในอนาคตต่อๆไปเนะี่ยยังไม่เกิดยังไม่เกิดนะตรงนี้ใหม่กว่าขณะ น, นี้ปัจจุบันนี้ใหม่กว่าและเป็นจริงด้วยอนาคตเราจะอยู่ได้ทันปี 2,557 หรือเปล่าไม่แน่นะมันไม่แน่ใช่ั้ยนี่คือถ้าเรานึกถึง เทศกาลแห่งการเปลี่ยนผ่านของเวลานะแทนที่เราจะนึกถึงว่าจะถึงวันใหม่วันพรุ่งนี้ปีใหม่หรือว่าเทศกาลตรุษจีนคนจีนกับคนฝรั่งก็ยังขึ้นปีใหม่ไม่ตรงกันเห็นไหมมีตรุษจีนมีตรุษไทยมีตรุษฝรั่งถ้ารู้จักหลายๆชาติจะมีหลายๆตรุษนะตรุษแปลว่าอะไรขึ้นปีใหมนะ่ขึ้นปีใหม่ของจีนขึ้นปีใหม่ของไทยขึ้นปีใหม่ของฝรั่งเป็นสิ่งสมมตินะเป็นสิ่งสมมติทั้งนั้น จะตัดเอาตรงไหนขึ้นมาก็ได้ใหม่เสมอเหมือนโลกเนี่ยมีนักบวชของคริสมาเผยแผ่คริสตศาสนาในเมืองไทยก็คิดว่าจะโต้วาทีกับพระไทยองค์ไหนถ้าโต้ชนะได้เนี่ยจะสามารถประกาศศาสนาของตัวเองแล้วทำให้คนไทยยอมรับได้มากยุคนั้นก็มีสมเด็จโตสมเด็จโตเนี่ยเป็นที่นับถือของ รู้จักสมเด็จโตไหมรู้เคยได้ยินชื่อใช่ไหมสมเด็จโตสมเด็จพุท ธ, ธาจารย์โตเป็นที่เคารพนับถือของคนไทยในยุคนั้นก็คิดว่าถ้าเราไปโตภาทีกับสมเด็จโตแล้วชนะน่าจะทำให้คนไทยเนี่ยหันมานับถือศาสนาคริสต์ได้ง่ายขึ้นก็ไปหาก็ถามโตไปโตมาถามคำถามแรกเลยว่าโลกนี้แบนหรือกลม โลกนี้แบนหรือกลมจริงๆาศาสนาคริสต์เนิร์นสอนมาตั้งแต่แรกว่าโลกแบนแต่นักวิทยาศาสตร์เห็นแล้วว่าโลกกลมเขาก็เปลี่ยนนะกลายเป็นว่าโลกกลมอ่ะสมเด็จสมเด็จโตท่านก็ตอบว่าโลกกลมท่านข้ถามต่อโลกที่ว่ากลมเนี่ยตรงไหนตรงกลางตรงไหนตรงกลางสมเด็จท่านก็เดินลงบันไดไปชี้นี่ตรงกลางโยมว่าใช่ไหมโยมว่ากลางโลกอยู่ตรงไหน ถ้ามันกลมนะชี้ตรงไหนก็กลางใช่ไหมเราทุกคนเนี่ยจะสมมติตัวเองว่าเป็นศูนย์กลางของโลกเสมอเวลาเราออกไปที่ท้องฟ้ายามกลางคืนถ้าต้องการดูดาวเขาจะมีจุดสมมุติว่าจุดตำแหน่งเหนือหัวตรงนั้นเป็นจุดกลางแล้วก็ดูไปทางทิศนั้นทิศนี้ไปอย่างนี้นะเราสมมติตัวเองว่าเป็นศูนย์กลางของโลกแม้กระทั่งว่าดวงอาทิตย์เนี่ยสมมุติว่าดวงอาทิตย์มันวิ่ง จากติศตะวันออกแล้วไปตกปุ๊ตรงทิศตะวันตกแล้วก็วิ่งใต้ดินแล้วไปโผล่ขึ้นมาใหม่ใช่ไหมเรารู้สึกงั้นใช่ไหมเราเนี่ยเป็นศูนย์กลางของจักรวาลเลยนะใช่ไหมทั้งที่จริงแล้วโลกเนี่ยหมุนเลยเลยเห็นดวงอาทิตย์เนี่ยวิ่งไปรามเกียรติ์เลยบอกว่าให้อนุมานไปหยุดปะอาทิตย์เพราะว่าอย่างเข้าใจว่าดวงอาทิตย์เนี่ยวิ่งรอบโลกใช่ไหมแต่ที่เห็นเน่ยเชื่อไม่ได้จริงๆแล้วโลกเนี่ยหมุนไป แล้วดวงอาทิตย์หมุนไหมหมุนจั ก, กรวาลยังหมุนเลยจั ก, กรวาลหมุนนะอย่าว่าแต่จั ก, กรวาลเลยกาแล็กซี่ยังหมุนเลย <c oughs> รูปธรรมทั้งหลายไม่หยุดนิ่งหมุนไปเรื่อยเปลี่ยนไปการเวลาก็เปลี่ยนไปที่เปลี่ยนไปเนี่ยเปลี่ยนยังไงเปลี่ยนจากอดีตเป็นปัจจุบันเปลี่ยนปัจจุบันไปเรื่อยเปลี่ยนเป็นอย่างนี้นะการเวลาเนี่ยอย่างสั้นๆก็คือเป็นขณะเป็นขณะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป นานออกมาหน่อยก็เป็นนาทีเป็นชั่วโมงหรือเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีนานมากๆเลยเป็นอะไรเป็นกับคินหน่วยนี้ไหมหน่วยของเวลาเป็นกับหลายๆกับเรียกว่าอสงไขยกับอสงไขยกับคือนับไม่ท่วนละแปลว่าไม่สังขยะสังขยารู้จักสังขยาไหมสังขยานี่ยเรานึกถึงขนมใช่ไหมสังขยาแปลว่าการนับภาษาบาลีนะการนับอสงไขยคืออสังขยานับไม่ไหวนับไม่ได้นับไม่ท่วน นับไปทั่วสี่ครั้งเรียกว่าสี่อสงไขยอย่างเงี้ยอย่างสมมติว่าเวลาพระพุทธเจ้าชาติที่เป็นสุมเมตดาบทจนถึงมาเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยใช้เวลาสี่อสงไขยมีแถมด้วยอีกแสนกับเนีไอ้ที่นับได้เนี่ยนับได้แสนหนึ่งแล้วก็ที่นับไม่ได้สี่ครั้งนับไม่ได้อ๋อมืนละเริ่มใหม่อนำๆๆๆโอ้นับไปไว่้เริ่มใหม่สี่ครั้งอืแล้วยังนับได้อีกแสนกลับ แสดงไอ้ที่นับไม่ได้นะมากกว่าแสนนะมากกว่าล้านด้วยนี่เป็นหน่วยแต่ละกลับแต่ละกลับท่านจะให้เกรดของกลับ <c oughs> ให้เกรดของกลับนะกลับไหนมีพระเจ้ามาตรสรู้มากอย่างกลับเนี่ยมากที่สุดเลยห้าพระองค์อย่างเนี้ยเป็นกลับที่ดีให้เกรดเ <c oughs> เรียกว่าพัทธรกับ บางกลับเนี่ยมีสี่องค์บางกลับมีสามองค์บางกลับมีสององค์บางกลับมีองค์หนึ่งบางกลับไม่มีเลยและที่ไม่มีเลยเนี่ยมีมากกว่ามีมากกว่านะที่มีเนี่ยนับได้เลยที่ผ่านมาเป็นอสองข่ยเนี่ยนะกับที่มีพระพุทธเจ้าเนี่ยนับได้เราเรามีบุญนะมาเกิดในกลับที่มีพระพุทธเจ้าถึงห้าแล้วมันก็แค่คล้ายกับขณะขณะในจิตเราในรอบวันนึงเนี่ย ขณะที่ไม่มีพุท ธ, ธะในใจเลยกับมีพุท ธ, ธะคือผู้รู้ขึ้นมาเนี่ยเทียบได้ไหมเทียบไม่ได้เลยนะการเวลาที่ผ่านมาที่เป็นสมมตินี้ก็เหมือนกันเวลาที่มีพระพุทธเจ้ามีน้อยเวลาที่พุทธเจ้ามีน้อยนะแม้ในกลับนี้มีพระพุทธเจ้าห้าพระองค์เนี่ยนะถ้านับวันเวลาแล้วเนี่ยวันเวลาที่มีพระพุทธเจ้ากับวันเวลาที่โลกนี้ลืมพระพุทธเจ้าไปแล้ววันเวลาที่มนุษย์ รู้จักพระพุทธเจ้าแล้วมีคําสอนทรงอยู่เนี่ยก็น้อยมากเทียบไม่ได้เลยวันเวลาที่มืดมืดมัว ม, ม, ม, ม, ม, ม, มัวคนอยู่กันโดยที่ไม่รู้ว่าจะออกจากทุกขอันนี้ได้อย่างไงเนี่ยนานคล้ายคลกับจิตเรามืดมืด ม, ม, ม, ม, มัวมัวแล้วก็รู้ขึ้นมาทิ้งแล้วกๆๆๆๆๆ็มืดมืดมัวมวก็รู้มาทิ้งความเป็นพุทธะคือพระพุทธเจ้าตัดรู้มาเนี่ยทาให้โลกสว่างสวัยขึ้นมาครั้งหนึ่ง สัตว์โลกทั้งหลายพอเห็นช่องทางที่จะออกจากทุกข์ได้ชั่วคราวและโลกก็มืดต่อจิตเราเนี่ยสว่างสวัยพอเห็นว่าสภาวะอะไรเกิดขึ้นแวบหนึ่งหลงต่อแล้วรู้ตัวมาถึงสว่างทีแล้วหลงต่อแต่สว่างนั้นนะ่ะมีค่าทําสว่างบ่อยๆคือรู้ตัวบ่อยๆว่าอะไรเกิดขึ้นเมื่อกี้นี้อะไรเกิดขึ้นเมื่อกี้ถ้ารู้กายอะไรเ ก, เกิดขึ้นตอนนี้ดูตอนนี้เลยไม่ต้องไปรู้วันที่หนึ่ง วันที่หนึ่งยังเป็นอนาคตไม่ใช่ของจริงตอนนี้จริงๆสดๆให ม, ใหม่ๆสิ่งๆดูตอนนี้ดูขนาดนี้เพราะของจริงกำลังเกิดอยู่ของจริงไม่ได้รอไปเกิดอีกสองวันกำลังเกิดอยู่ตอนนี้ดูไปเลยนะแล้วมันก็จะเห็นความจริงแสดงออกมาเห็นความจริงแสดงมาว่ามันเปลี่ยนแปลงไปความจริงของการเวลาก็เปลี่ยนแปลงความจริงของสภาวะก็เปลี่ยนแปลงหลักสาคัญของการเวลาคือมันเปลี่ยนไป ความจริงของสภาวะที่เราไปดูเห็นเข้ามันก็แสดงความจริงว่าเปลี่ยนไปเหมือนกันอย่าประมาทในสิ่งเล็กๆน้อยๆคิดว่าเล็กๆน้อยๆว่าไม่สาคัญถ้าคิดว่าอย่างนั้นประมาทบุญเล็กน้อยอย่าคิดว่าไม่ให้ผลบาปเล็กน้อยก็อย่าคิดว่าไม่ให้ผลนิดๆหน่อยๆเคลื่อนนิดนึงรู้ให้ทันเหลือนิดนึงรู้ให้ทันอย่าไปมัว ดักรออยู่เฉพาะตัวใหญ่ๆมันเคลื่อนไปนิดหนึ่งให้รู้ทันมันเผอไปแว บ, บหนึ่งให้รู้ทันนี่นะกิเลสดับไปแล้วรู้ให้ทันด้วยเพราะรู้ทันมันเกิดรู้ทันมันดับนี่แหละจะเห็นของจริงว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับดีใจรู้ว่าดีใจดีใจแป๊ บ, บนึงมันเริ่มเฉยระดับือนความดีใจลดระดับลงมาก็ให้รู้ทันมีความเปลี่ยนแปลงนี่นะไม่เหมือนกัน แต่และขณะแต่และขณะไม่เหมือนกันท่านบอกถึงขนาดว่ามันไม่เหมือนกันสักขนาหนึ่งเพียงแต่ว่ามันมีลักษณะพิเศษคล้ายๆกันและจัดหมวดกันได้ถ้าคราวใดที่เกิดความติดใจมันก็จัดหมวดอยู่ในราคะคราวใดมันไม่พอใจก็จัดหมวดอยู่ในโทสะข่าวใดที่มันเมื่อเมือก็จัดอยู่ในหมวดโมหะ แต่ละขณะแต่ละขณะจริงๆแล้วเอาเข้าแน่ๆแล้วนะไม่เหมือนกันอย่าว่าแต่ขณะแห่งเป็นนามธรรมาเลยรูปธรรมนี้ไม่มีสักขณะหนึ่งที่เหมือนเดิมเคยได้ยินใช่ไหมที่หลวงพ่อเล่าถึงหลวงปู่ดูลว่าชี้ไปที่พื้นสลาพื้นสลาเนี่ยก็เปลี่ยนไปอยู่เสมอไม่เที่ยงเลยสักขณะเดียวเปลี่ยนไปถ้าใครเรียนวิทยาศาสตร์จะรู้ว่าจริงใช่ไหมอิเล็กตรอนนี่วิ่งไปเรื่อยๆเลยไม่ซ้ำกันเลยวิ่งไปเรื่อย ไม่ซ <SCP> ้าเลยแม้แต่ขณะเดียวถ้ามันนิ่งนะมันจะถาวรถ้ามันนิ่งมันจะถาวรและไม่เปลี่ยนแปลงแต่เพราะว่ามันไม่นิ่งจริงมีความเปลี่ยนแปลงอยู่แต่เราไม่เห็นเราจับไม่ได้สิ่งที่เราจะจับได้สําหรับคนคิดมากคือนามาทําที่มันเปลี่ยนแปลงสิ่งที่จับได้สําหรับคนทําชาญได้คือไปดูร่างกายก่อนเพราะจิตมันไม่ค่อยเปลี่ยนคนทําชาญได้คือจิตมันนิ่งแล้วมาดูร่างกายร่างกายก็แสดงความจริงว่าเปลี่ยนไป เปลี่ยนไปทั้งกายและจิตเปลี่ยนไปอยู่เสมอจะมีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นอย่างนี้เหมือนการเวลา <c oughs> เหมือนกับการเวลาพระพุทธเจ้าตรัสเตือนแม้กระทั่งครั้งสุดท้ายวันสุดท้ายแบอบกว่าวิยธัรมมาสังขาราอัปปมาเทนะสัมปาเททะเคยท่องมเคยสวดไหมอันนี้ เป็นโอวาทครั้งสุดท้ายของพระพเจ้าวายะวายะคนไทยจะเรียกว่าวัยเวลามีเคยถูกชมมว่าแม่งามสามวัยเคยไหมทั้งสามทั้งเสื่อมนะวายะไปว่าเสื่อมแม่งามสามวัยมีคําว่างามเมีอันมีคําดีอยู่คำหนึ่งนอกนั้นสามและเสื่อม ว่ายะแปลว่าเสื่อมว่ายะทำมาทำทั้งหลายมีความเสื่อมเป็นธรรมดาอัปปมาเทนะสัมปาเททะปมาทะแปลว่าประมาทอัปปมาเทนะคือไม่ประมาทอัปปมาเทนะสัมปาเททะสัมปาเททะคือทําให้ถึงพร้อมและเป็นคําเชิญชวนลงวิพัฒน์ลงลงตัวเททะเนี่ยแปลว่าเชิญชวนให้ให้มาทําความไม่ประมาทท่านทั้งหลายจงทําความไม่ประมาทให้ถึงพร้อม สัมปาเทตะคือให้ถึงพร้อมแสดงว่าเวลาเปลี่ยนไปเนี่ยมันเปลี่ยนและเอาชีวิตไปด้วยชีวิตเราถ้าเทียบกับเวลาแล้วสั้นนิดเดียวท่านจึงบอกว่าอย่าประมาทเพราะมันวัยะเสื่อมไปมันเสื่อมไปทุกๆขณะเทียบแล้วกับสังสารวัตแล้วชาติของเราเนี่ย ใครจะอยู่ถึงร้อยปีท่านก็ว่านิดเดียวใครอยู่ไม่ถึงยิ่งนิดเดียวจะให้เสียงสั้นกว่านี้อีกเ่าไหรนิดเดียว <c oughs> มันมันน้อยซะจนว่าไม่ควรประมาทเลยแม้แต่ขณะเดียวท่านเตือนว่าคนที่ประมาทแล้วกลับมาไม่ประมาทอันนั้นน่าสันเริญ—เราเคยประมาทกันมาทุกคนเลย แต่ถ้ากลับมาเป็นคนไม่ประมาทท่านสรนเริญเคยมืดมัวแล้วกลับมาสว่างท่านสรนเรินนะเคยทําบาปแล้วกลับมาทํากุศลเลิกละเรื่องบาปท่านสรนเรินนะเหมือนอย่างองค์ุลิมานนะพระองค์ุลิมานก็ได้ยินชื่อใช่ไหมพระองค์ุลิมานเคยฆ่าคนแล้วมาบวชแล้วก็วันที่ท่านจะปรินิพานท่านอุทาน เป็นคาถาขึ้นมาท่านบอกว่ามันมีคาถาใกล้ๆกันถ้าจําสับก็ขออภัยนะท่านบอกว่ายัสปาปังกตังกัมมังกุศเลนะปิถีญติโสมังโลกังประพาเสติอัพพามุตโตวจันทิมาเคยได้ยินคาถานี่ไหมถ้าใครไปขอเข้ามาหลวงพ่อนะหลวงพ่อจะสวดคาถานี้นะใช่ใช่ โยจะปุกเพปมาจิตวาเอมันมีคถาคล้ายๆกันสองคถานะยัสสะปาปังกตังกรรมมังกุศเลนะปิติยติโสมังโลกังประภาเสติอัภามุตโตวจันทิมาอีกาถาหนึ่งคล้ายๆกันนะโยจะปุกเพปมาจิตวาปัจ ช, ชาโสนัปมาจติโสมังโลกังประภาเสติอัภามุตโตวจันทิมาขึ้นต้นต่างกันลงท้ายเหมือนกันคถาแรกยัสสะปาปังกตังกรรมมัง บุคคลใดที่เบื้องต้นย ะ, ะบาปทำบาปทำบาปแล้วกลับตัวได้เลิกละบาปนั้นกุศเลนะปิดทีญาติปิดบังบาปนั้นได้ด้วยกุศลปิดบาปด้วยกุศลเออคำนี้น่าสนใจนะปิดบาปด้วยกุศลไม่ใช่ปิดบังบาปแบบซ่อนเอาไว้แต่ปิดรายการไปเลยปิดที่ว่าเนี่ยไม่ใช่ปิดบังซ่อนเร้น ทำบาปแล้วใครมาถามเปล่าหนูเปล่าไม่ใช่อย่างนั้นนะอันนี้ปิดซ่อนปิดซ่อนบิดเบือนข้อมูลแต่กุศเลนะปิดทีาติปิดบาปนั่นได้ซะด้วยกุศลหมายถึงปิดรายการปิดรายการไปเลยไม่ทำบาปอีกถ้าใครทาได้อย่างนี้โสมังโลกังประพาเสติเขาย่อมยังโลกนี้ให้สว่างอภามุตโตวจันทิมา เปรียบเหมือนกับดวงจันทร์แหวกม่านเมฆออกมาจริงดวงจันทร์ไม่ได้แหวกเมฆเปิดให้ดวงจันทร์เผยแสงออกมาไม่ใช่ดวงจันทร์เอามือแหวกองไปนะเวลาเราเห็นดวงจันทร์แล้วเมฆบังอยู่เนี่ยดวงจันทร์ก็จะไม่สามารถเปล่งแสงที่แท้จริงออกมาแต่พอเมฆผ่านออกไปนะโลกก็จะสว่างไปด้วยเพราะแสงดวงจันทร์ดวงจันทร์มีแสงเองไหมไม่มีมีแสงสะท้อนจากดวงอาทิตย์ใช่ไหมแต่นั่นแหละ แสงสะท้อนดวงอาทิตย์ไปที่ดวงจันทร์แล้วดวงจันทร์ก็เปล่งแสงออกมายังโลกที่มืดอยู่เนี่ยให้สว่างแสดงตอนนั้นโลกเป็นกลางคืน <c oughs> คนที่เคยประมาทแล้วไม่ประมาทก็ยังโลกนี้ให้สว่างเหมือนกับดวงจันทร์วันเพลเมฆเลื่อนไปแล้วทําให้โลกตอนกลางคืนสว่างเราก็จะทำอย่างนั้นแหละเราเนี่ยเคยทาผิดมาก่อนทั้งนั้นแหละทั้งนั้นแหละไม่ต้องกลัว ไม่ต้องกลัว่าฉันคงเป็นคนที่ไม่เหมาะสมที่จะมาเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเหมาะทุกคนเพราะปฏิบัติธรรมเนี่ยไปดูของไม่ดีของตัวเองพระุูปเจ้าบอกว่ามีราคะให้รู้ทันว่ามีราคะไม่ใช่ไปโมวดดูว่ามีเมตตาให้ดูเมตตาไม่มีเลยในหมวดจิตตานุปัสสนานะเริ่มต้นขึ้นมาว่ามีราคะให้รู้ว่ามีราคะราคะดับไปให้รู้ว่าราคะดับโทสะเกิดขึ้นให้รู้ว่ามีโทสะโทสะดับไปให้รู้ ว่าโทสะดับมีโมหะเกิดขึ้นให้รู้ว่ามีโมหะโมหะดับไปให้รู้ว่าโมหะดับฟุ้งซ่านเกิดขึ้นให้รู้ว่าฟุ้งซ่านหดหูเกิดขึ้นให้รู้ว่าหดหูของไม่ดีทั้งนั้นเลยซึ่งเราเป็นอยู่และมีอยู่เกิดขึ้นได้เกิดขึ้นได้แล้วแปลงความห่วยๆอันเนี้ให้เป็นของดีขึ้นมา สิ่งนี้เป็นสิ่งห่วยๆที่เราเกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าเป็นของเก่าๆสิ่งที่เราจะทำใหม่คือรู้มันรู้ทันว่าอะไรเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นเมื่อกี้นี้อะไรเกิดขึ้นเมื่อกี้นี้แปลงสิ่งห่วยก็ให้เป็นสิ่งดีราคะดีไหมไม่ดีเป็นอกุศลรู้ทันว่ามีราคะเป็นกุศลราคะเกิดขึ้นมาเนี่ยถ้าไม่รู้ทันเสียแต้มราคะเกิดขึ้นมามีสติรู้ทันได้แต้มมากด้วย อย่างที่บอกแล้วว่าเราสะสมราคะโทสะโมหะมาตลอดสังสารวัฏเนี่ยนะเจริญสติปัฏฐานไม่เกินเจดปีแต่นั้นยุคที่ว่าคนมีคุณภาพนะพระพุทธเจา้าเนี่ยสอนตอนนั้นเนี่ยคนมีคุณภาพเจ็ดปีเนี่ยท่านประกันคล้ายๆประกันราคาข้าวเนี่ย น, นะแ ต, แต่ท่านดีกว่านั้นนะสมัยนั้นเนี่ยถ้าได้เจริญสติปัฏฐานรู้ทันสภาวะอย่างนี้เจดปี ท่านบอกว่าถ้าไม่เป็นพระอรหันต์คือไม่บรารลุ阿าตะผลก็ได้ขั้นต่ำคืออนาคาอนาคามีผลปัจจุบันเนี่ยสดาบันก็เอาเหอะเนาะเจ็ด<笑>ปีสดาบันเอาแล้วเอาเอาแล้วเจ็ดปีไม่ได้สดาบันทาอีกแสดงว่าที่ทำมาเนี่ยยังไม่ถูกทำอีกมันต้องได้ผลจิตจะฉลาดขึ้นเพราะทุกครั้งที่มีสติมันจะเห็นของจริง และของจริงมันจะแสดงความจริงให้จิตดูจิตจะสะสมข้อมูลแท้ๆทุกครั้งที่เราสะสมข้อมูลเนี่ยนะเราจะสะสมข้อมูลในแง่ของอนุสัยมีกิเลสเกิดขึ้นไม่รู้ทันเป็นอนุสัยมีกิเลสเกิดขึ้นไม่รู้ทันเป็นอนุสัยกลับเข้ามามีกิเลสเกิดขึ้นรู้ทันจับเอามาจําเป็นสัญญาคราวนี้เป็นอีกเรื่องแล้วนะไม่ได้สะสมอนุสัยด้วยแถมเกิดตัวใหม่ที่ดีด้วยคุ้มไหม น, น่าทำนะน่าเจริญสตินะอนุสัยก็น้อยลงแถมยังมีสิ่งดีเกิดขึ้นและคะแนนมากกว่าอานุาสัยที่เคยสะสมไปด้วยขณะหนึ่งเกิดกิเลสไม่รู้ทันสะสมอานุาสัยขณะหนึ่งเกิดกิเลสแล้วรู้ทันว่าเมื่อกี้นี้เกิดกิเลสได้แต้มมากกว่าที่สะสมเอไว้แต่แต้มเท่าไหร่นี่นับยากบอกไม่ได้นับยากแต่เทียบแล้วเนี่ยเทียบเวลาเทียบเวลาแล้วเนี่ยนะต่างกันมาก ไม่ต้องไปสะสมกับอะไรอีกหนึ่งสังสารวัติถ้ามันแต้มเท่ากันนะต้องสะสมสติอีกหนึ่งสังสารวัติแต่เพราะว่าสติที่ว่าเนี่ยมีกำลังมากทำไมถึงมีกำลังมากเพราะทำให้จิตฉลาดจิตที่มันวนเวียนอยู่ไม่พ้นไปสักทีเนี่ยเพราะว่าจิตมันมันไม่ฉลาดจริงๆจะพูดอีกคำนะมันโง่มันโ ง, มนง่มันมาจากคาว่ามีอวิชชาไม่รู้ พูดเพราะหน่อยคือมีอวิชชาว่ามันแปลไม่เคยออกใช่ไหมคําไหนที่แปลไม่ค่อยออกนั้นก็รู้สึกว่าเออเพราะดีแต่ถ้าบอกว่ามันโง่แต่รู้สึกว่าถูกปะทะเข้ามาใครที่มีมารณ์มากหน่อยก็จะไม่ค่อยยอมรับจริงๆฉันฉันฉลาดนี่หว่าฉันสอบมาได้ปริญญาตั้งเยอะแยะอันนั้นเป็นเรื่องของความจําความจําแต่สิ่งที่จะทําให้จิตฉลาดคือความจริงความจริง มีเฉพาะปัจจุบันที่เราสอบได้กันแน่ๆ ม, มากๆเนี่ยนะจำจำเอาทุกวันนี้เราก็ จ, ำจำําจําทีไรแล้วก็เป็นอดีตเวลาเรามาเนี่ยนะเห็นหน้าคนนี้ประทับใจจําหน้าคนนี้ไว้ทันทีที่จําภาพนั้นเป็นอดีตคล้ายๆกับถ่ายรูปเดือนนี้เรามีอุปกรณ์ถ่ายรูปติดตัวกันแทบทุกคนนะประทับใจตรงไหนก็ถ่ายเดือนนี้มีท่าใหม่ ใช่ไหมจะมีอย่างี้ถ้าคนเดียวก็อย่างนี้มีสละห้าคนก็เอียงคู่กันมีท่าหม่ถ่ายรูปกันทุกคนรูปที่ปรากฏมาทันทีที่มันนิ่งเป็นอดีตใช่ไหมพอหันมาดูตอนนี้ท่าเราเปลี่ยนไปแล้วแต่รูปนั้นยังนิ่งอยู่เราเห็นหน้าคนนี้ประทับใจเก็บหน้าคนนี้ไว้นึกอดีตล่ะประทับใจเนี่ยมีทั้งดีและไม่ดีด้วยเยี่ยเนี้ยไม่ได้เรื่องเลยเก็บไว้ แล้วก็จําไว้ว่าไม่ได้เรื่องหน้านี้ปล่อยไม่ไม่ได้เรื่องมันแสดงว่าจําและปรุงด้วยจําและปรุงด้วยทุกครั้งที่ปรุงบิดเบือนด้วยไม่จริงบิดเบือนไปเขาเลวหรือเปลา่ายังไม่รู้เลยเขาดีอย่างที่เรานึกหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเขารักเราหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเก็บเออมยิ้มไว้ข้างในเขาแสดงยิ้มให้เราเขาแสดงเขามีใจกับเราจริงไม่ใช่หรอกหน้าเขายิ้มเป็นปกติอยู่แล้ว เดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี้ก็มีอะไรไปผ่าตัดนะให้มุมปากยกขึ้นมาหน่อยยิ้มตลอดเวลาเลยยิ่งเชื่อไม่ได้ใหญ่เลย <c oughs> คนเราเห็นแล้วประทับใจเก็บเอาไว้ทันทีที่เก็บเป็นอดีตแล้วเราก็นั่งนึกนอนฝันทุกครั้งที่นึกภาพ ค, คนนั้นเป็นอดีตเสมอนะแต่ถ้ารู้ทันว่าเมื่อกี้นี่เราเผลอไป น, นึกถึงคนนั้นเป็นปัจจุบันจริงๆให้รู้ทันอย่างนี้นะนึกถึงหน้าเขาเนี่ยเป็นอดีตนะ พอนึกถึงใจว่าตัวเองเผลอเป็นปัจจุบันอันนี้เนี่ยไม่ได้ปรุงแต่งรู้ไปตรงๆถ้านึกถึงหน้าคนนั้นแล้วก็ปรุงไปนะบิดเบือนด้วยข้อมูลก็ไม่จริงเพราะว่าเราปรุงเองเราปรุงเองตลอดเลยแล้วสิ่งที่เราปรุงนะบิดเบือนตลอดคนที่เขาอยากจะใหญ่ก็จึงต้องซื้อสื่ อ, อใช่ไหมเพราะว่าต้องคอยปล่อยข้อมูลไปเรื่อยๆปล่อยข้อมูลไปเรื่อยๆคนที่ไม่รู้ทันก็เสพสื่อและเชื่อเพราะอะไร ไม่รู้ความจริงสิ่งที่เราเห็นคิดบิดเบือนไม่จริงเห็นคิดมีโทสะบิดเบือนไม่จริงถ้ารู้ทันจริงๆรู้ทันโทสะที่เกิดขึ้นเห็นมีราคะคิดบิดเบือนไม่จริงเห็นแล้มีราคะรู้ทันว่ามีราคะจริงเห็นและคิดเมื่อยลอยยิ่งพอนี้ไม่รู้เรื่องเลยรู้ทันว่ามีความหลงเกิดขึ้นคือโมหะจริงคิดไปคิดมาคิดฟุ้งซ่านไปเรื่อยๆไอ้ฟุ้งซ่านนะ่ะไม่จริง เรื่องราวที่คิดนะนะไม่จริงแต่รู้ทันว่าเมื่อกี้ฟุ้งซ่านจริงฉันเนี่ยคงไม่มีวาสนาที่จะพัฒนาตัวเองไปถึงมรรคผลนิพพานละจริงไหมไม่จริงแต่หดหูจริงเข้าใจไหมให้ดูความจริงความจริงอยู่ตรงปัจจุบันตรงนี้ถ้าเผลอคิดเมื่อไหร่ออกจากความจริงเผลอไปเมื่อไหร่ออกจากความจริงแต่รู้ทันว่าเผลอจริงปีหน้ามีจริงไหม ถ้าเราอยู่ถึงมีแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงจริงๆแล้วตอนนี้วันนี้เวลานี้รู้ไปเข้าใจไหมอดีตมีไหมเคยผ่านมาแล้วแต่ตอนนี้ไม่มีอดีตมีจริงแต่ตอนนี้ไม่จริงเข้าใจไหมเพราะมีอดีตจึงมีปัจจุบันเมื่อก่อนนี้เราก็ทำผิดอะไรมามากแหละเราจึงมีวิบากทาให้ถูกด่าบ้างเจ็บตัวบ้าง สะดุดตอบ้างเขายิ้มให้บ้างแล้วก็เราเข้าใจผิดบ้างอะไรเงี้ยนะเคยมีนะมีโยมอยู่คนหนึ่งไปเฝ้าเจ้าอาวาสไม่บอกวัดบอกได้ว่าเจ้าอาวาสพะอาตมาไม่เคยเป็นเจ้าอาวาสวัดไหนมีโยมอยู่คนหนึ่งไปเฝ้าเจ้าอาวาสอยู่วัดหนึ่งโยมวัดนั้นที่เป็นห่วงใหญเจ้าอาวาสก็กีดกัน เกรงว่าเจ้าวาดเนี่ยจะใจอ่อนกับโยมคนนี้ที่มาเฝ้าเพราะโยมคนนั้นก็ดูแล้วหน้าตาก็พอไปวัดได้ก็ไปวัดได้อยู่แล้วเนาะเขาเข้าเขาวัดนะหน้าตาพอสมควรนะเขาก็เลยกีดกันครั้งหนึ่งโยมก็ไปคุยกับโยมที่มาเฝ้าเจ้าอาวาสเนี่ยบอกเธอทําไมมานั่งเฝ้าอย่างนี้เขาบอกว่าเขารู้สึกว่าพระเนี่ยชอบชอบเขาเขาก็เลยชอบละอืม โยมก็ถามกลับไปว่ารู้ได้ยังไงว่าพระชอบเธอพระยิ้มให้โอ้โ ห, โหถ้าแค่นี้นะอาตมาสวยแน่เลย <c oughs> ใช่ไหมนี่ยิ้มไปเนี่ยคนถ้าเกิดทุกคนเห็นว่าอาตมายิ้มแล้วแสดงอาตมามีใจให้เนี่ยนะอาตมาลำบากแล้วใช่ไหมเวลาไปเทสที่ไหนครับ <c oughs> ไม่ได้เป็นไปไม่ได้เนีพระก็ยิ้มให้โยมเป็นปกติใช่ไหมอือ ยิ้มให้ยิ้มให้ใช่ไหมแต่เขาพอเห็นพระยิ้มให้ใจเขาบิดเบือนอาจจะเห็นภาพของพร ะ, จะเจ้าอวาดองค์นั้นแล้วชอบใจเห็นพระยิ้มให้แล้วบิดเบือนข้อมูลอย่าว่าหัวเราะเขานะเราเองก็ทําอย่างนั้นเหมือนกันใช่ไหมเราก็บิดเบือนข้อมูลอยู่เรื่อย เ, เหมือนกันบิดเบือนแล้วเลยไม่เห็นข้อมูลที่แท้จริงข้อมูลที่แท้จริงๆแล้วคือมีราคะชอบใจไม่รู้ท่านตัวนี้รู้แต่ว่าเขามีใจเราจะถูก สิ่งต่างๆผ่านการบิดเบือนไปแล้วจึงเข้ามาสู่การรับรู้ของตัวเองใครบิดเบือนบิดเบือนเอง <c oughs> จิตเนี่ยจะว่าน่าสงสารก็น่าสงสารจะว่าน่าสมเพชก็น่าสมเพชจะว่าน่าสมน้ำหน้าก็ <c oughs> น่าสมน้ำหน้า <c oughs> มันบิดเบือนเองหลอกตัวเองแล้วก็หลงอยู่เนี่ยหลงเกิดหลงตายหลงเกิดหลงตายไปเรื่อยๆเพราะไม่เจอข้อมูลที่แท้จริงสักทีอย่างที่บอกแล้วว่า ติดใจในทางที่ดีก็อยากเกิดมาอีกเพื่อเสพติดใจในทางที่ไม่ดีก็อยากเกิดมาอีกเพื่อแก้แค้นมันอยากเกิดมาอีกเนะเพื่อแก้แค้นมันเพราะมันทำให้กูเจ็บมันทำให้กูเสื่อมอำนาจมันทำให้กูต้องผิดหวังต้องเกิดมาเพื่อล้างผลาญมันอย่างงี้นะประทับใจในทางที่ไม่ดีก็อยากจะเกิดอีกประทับใจในทางที่ดีก็อยากจะเกิดอีกให้รู้ทัน ความโกรธให้รู้ทันความรักให้รู้ทันความชังให้รู้ทันความสุขรู้ทันความทุกข์ที่เกิดขึ้นรู้ทันตอนไหนปัจจุบันนี้อย่างนี้นะสิ่งที่จะให้แง่คิดในเทศกาลต่างๆคือให้รู้ทันว่ามันเป็นเรื่องของความเปลี่ยนแปลงอดีตปัจจุบันและก็ไปอนาคตเป็นปนอย่างนี้อยู่เสมอถ้าเราไม่รู้ทันตรงนี้เราก็จะถูกการเวลาหลอกลวงไม่ทันรู้ว่ามี อดีตปัจจุบันอนาคตเราตรู้แต่ว่าเราจะไปเที่ยวไหนพรุ่งนี้จะเป็นวันอะไรเราจะไปไหนต่อจะไปจองร้านไหนดีอย่างนี้นะจะไปเที่ยวไหนต่อวางแผนแล้วบางทีชีวิตไปไม่ถึงเพราะว่าเป็นของไม่แน่นอนว่ายะรรมมาสังขาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปบางครั้งกรรมให้ผลกรรมเป็นสิ่งที่ควรทําหรือไม่ควรทํา ก้กควรทำข้อข อ, ขอไม่ควรทำขอ้ขอคอควรทั้งทําและไม่ทําข้องงงอ่า <c oughs> ใครว่าขอ้กอกควรทําใครว่าขอ้อขอขไม่ควรทําใครว่าข้อคอควรทั้งทําและไม่ทําใครว่าข้องงงไม่มีนะเออยังมีก์ <c oughs> <c oughs> กรรมแบ่งเป็นกี่ประเภท ถ้าแบ่งที่ที่ตัวกระทําที่แสดงออกจะมีแสดงออกทางกายวาจาและใจเป็นกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมที่เราเรียกว่ามโนมโนกันท่านสั้นมาจากเนี่ยมโนคือใจกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเป็นทางออกทางแสดงออกซึ่งกรรมคือการกระทํากรรมแปลว่าการกระทําถ้าแบ่งตาม ตามคุณลักษณะหรือการให้ผลก็มีกรรมที่เป็นกุศลกรรมที่เป็นอกุศลและกรรมที่ไม่เป็นทั้งกุศลและอกุศลภาษาบาลีจะยากหน่อยเรียกว่าอัพยก ฤ, ฤิตเป็นว่ามีสามอย่างเป็นกุศลกุศลาธรรมะเคยไปงานศพไหมเคยไปนอนฟังไหมไม่ไม่เคยนะนั่งฟังเอานะ กุศลธรรมมาอากุศลธรรมมาอัปพยากตาธรรมาารรมาคือกรรมบางอย่างเป็นกุศลกรรมาอย่างเป็นอกุศลกรรมาอย่างไม่เป็นทั้งกุศลและไม่เป็นทั้งอกุศลเป็นอัปพยากฤิตกรรมที่เป็นกุศลเคยทำไหมทาบุญนักษาศีลให้ทานนักษาศีลเจริญภาวนามาเนี่นะมีเมตตามีโกโรุณามีมุจจาอุเบกขามีสติสมาธิปัญญาวิริยะอุตสาหะอะไรต่างๆเนะี่ยกุศลอกุศลมีไหม มีทํามาแล้วทั้งนั้นแหละชินด้วยทั้งราคะโทสะโมหะผิดศีลผิดธรรมทำได้กดโกรธโลภหลงแล้วก็อิจฉาริษยาพยาบาทจองเวนมีหลายคำนะที่เป็นอกุศลก็หลายคำเราทํากรรมที่เป็นอกุศลเนี่ยเยอะที่เป็นกุศลก็เยอะกรรมที่ทาแล้วเป็นอกุศลมีวิบากคือ ทำให้เราได้รับผลที่ไม่น่าพอใจทำที่เป็นกุศลกรรมเนี่ยที่เป็นกุศลทำแล้วได้วิบากที่ดีน่าพอใจทำอย่างนี้ต่อไปทำบาบ้างทำบุญบ้างถ้ามีสติหน่อยแบบโลกโลกก็เลือกที่จะทำกุศลมากๆเพื่อจะได้รับผลอันเป็นที่น่าพอใจต่อไปในนักแต่มีกรรมถ้าแบ่งตามวิบากนะแบ่งตามวิบากนะท่านแบ่งไว้สอย่าง ท่านแบ่งไปสีอย่างกำดำให้ผลดำนี่ท่านแบ่งตามสีนะของเรามีสีแดงสีเหลืองอะไรแต่ของท่านมีสีดำกับสีขาวกำดำให้ผลดำกำขาวให้ผลขาวกำทั้งดำทั้งขาวให้ผลทั้งดำทั้งขาวนี่สนุกไหมเราส่วนใหญ่ทำอะไรกำดำไหมกำทาดำก็ทำใช่ไหมกำขาวก็ทำแต่ส่วนใหญ่จะอยู่ข้อสกรกำทั้งดาทั้งขาวให้ผลทั้งดำทั้งขาว อยากจะทําบุญแต่ก็งกบุญเคยไหมอันนี้ใครอย่าทํานะฉันทําเองทั้งหมดอย่าห้ามพระองค์นี้ใครอย่ามายุ่งนะต้องฉันคนเดียวประมาณว่าอยากทําบุญแต่งกบุญอันนี้ก็มีทั้งดําทั้งขาวเป็นไหมเป็นใช่ไหมประมาณอย่างงี้แหละประมาณอย่าง น, าางนี้ที่บาปชัดๆก็เป็นกรรมดำําที่บุญชัดๆก็เป็นกรรมขาวที่มันแฝงไปแฝงมามันทั้งดําทั้งขาว ทำบุญให้ทานอยากมีชื่อเสียงได้หน้าด้วยถ่ายรูปสิยิ้มให้ Ey, อะไรเงี้ยให้ ไ, ไปแล้วยังไม่ถ่ายเล้เอามาใหม่เดียมันมีทั้งดำทั้งขาวใช่หมและเราก็ทำกันอย่างนั้นแหละทาที่ทํามากๆก็จะส่วนใหญ่จะเป็นข้อสามมันมีกรรม อ, อีกอันหนึ่งน่าสนใจมากกรรมไม่ดำไม่ขาว<__เป็นไปเพื่อพ้นกรรมน่าทามาก น่าทํ ม, มากแล้วที่เรามาเข้าคลอดเนี่ยมาเรียนอันนี้เรียนกรรมไม่ดําไม่ขาวมีผลเพื่อพ้นกรรมเป็นกรรมที่พ้นกรรมเราไม่คุ้นและไม่เคยทําอาจจะเคยทําแต่น้อยเกินไปตลอดสังสารวัฏเนี่ยน่าจะมีไม่กี่ชาติที่ทํากรรมประเภทนี้มันจึงไม่พ้นสักทีเราจะทําแต่กรรมดําบ้างกรรมขาบ้างกรรมทั้งดําทั้งขาวบ้างทําอย่างเงี้ยซ้ําไปซ้ํามาแต่กรรมไม่ดําไม่ขาวอยาก และเป็นไปเพื่อพ้นกรรมตอนนี้ชักชวนให้เรียนเรียนให้รู้รู้แล้วไปทำคืออะไรจะเจริญสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงจิตทีต่ตั้งมั่นและเป็นกลางรู้สภาวะตามความเป็นจริงอันนี้นะจะเป็นการทําต้องทําไม่ใช่อ้อนบอนเป็นการทํากรรมเหมือนกันนะต้องทําทําอะไรทําเหตุให้เกิดปัญญาทากรรมอันเนี้ยให้เกิดปัญญาต้องทา ไม่ใช่อ่อนบอนไม่ใช่รอแล้วก็บอกว่าไม่ควรทำอะไรไม่มีถ้าคิดว่าไม่ต้องทำอะไรเป็นมิจฉาทิฐิมีภาษาคาที่อธิบายนิยามพุทธศาสนาคาหนึ่งบอกว่าเป็นกรรมมวาทีคือไม่ได้บอกว่าสิ่งต่างตาเนี่ยเกิดขึ้นลอยลอยมันต้องมีการทำและเกิดผลผลต้องการผลแบบไหนอยากตองนรกฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ พูดปดผิดกรรมการทำอะไรไปได้ลงนรกตามปรารถนาอยากขึ้นสวรรค์ทําบุญนะให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาได้ไปสวรรค์ตามปรารถนาตามกรรมที่จะให้ผลอย่างนั้นอยากจะพ้นจากการเกิดการตายเวียนเกิดเปี่ยนตายก็ต้องให้ทําต้องทําไม่ใช่หยุดเฉยๆแล้วอ้อนวอนหรือรอนอนรอนั่งรอตายฟรีต้องทําคือจเจริญสติ สร้างเหตุให้เกิดปัญญาเจริญสมาธิสร้างเหตุให้เกิดปัญญามันยังไม่เดินปัญญาสอนนัดสักหน่อยพูดไว้ในใจก็ได้เมื่อกี้ไม่โกรธตอนนี้โกรธเมื่อกี้โกรธตอนนี้ดับแล้วเมื่อกี้ไม่รักตอนนี้รักเมื่อกี้รักตอนนี้ไม่รักแล้วเห็น <c> ไ <oughs> <c oughs> ดูว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงถ้ามันไม่เดินปัญญาบอกตัวเองหน่อยสอนมันก่อนพูดบรรยายไปในใจก็ได้ แต่ให้รู้ทันว่าไอตอนบรญญาเนี่ยยังไม่ใช่ปัญญาแท้จริงนะจิตมันไม่เคยไม่คุณทางนี้ไม่เคยเดินทางนี้จิตไม่เคยเดินไปต้องนําร่องมันหน่อยต้องนําร่องมันหน่อยต้องจูงมันบ้างจูงไปในทางที่ที่ควรให้มันมองในแง่ของการเห็นไตรลักษณ์มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจะสอนมันด้วยคําพูดในใจสอนได้ไม่เป็นไรครุกอยู่กับธรรมะ ฟังซีดีเปิดหนังสืออ่านอ่านแล้วง่วงหลับไปบ้างก็ไม่เป็นไรอาจจะฝันเห็นธรรมะอยู่ข้างในก็ได้พอได้นะเป็นของขวัญวันนี้วันที่ชาวโลกทั้งหลายคิดว่าเป็นวันท้ายปีและเตรียมจะฉลองปีใหม่ทุกครั้งที่เกิดทันฉลองเทศกาลอะไรต่างๆเลยนะให้นึกถึงว่าวันนี้อาตมาพูดคำนี้เอาไว้มันเป็นเรื่องของสมมติสิ่งที่แท้จริงที่เกิดขึ้น อยู่ในนี้ย้อนเข้ามาดูหัดทำกรรมไม่ดําไม่ขาวทำให้มันคุ้นชินทำให้มันมีวิบากพ้นไปจากการเกิดการตายตรง น, นี้ให้ได้วิบากแห่งการไม่เกิดไม่ตายคือมีปัญญาเข้าใจความจริงอันนี้มีปัญญาเข้าใจความจริงว่ากายนี้ไม่ใช่เราใจนี้ไม่ใช่เรานี่เป็นญาขั้นแรกเข้าสู่กระแสโสดาเนี่ยแปลว่ากระแสกระแสที่ว่านี่คือไปแล้วไปเลย ไปแล้วไม่กลับด้วยไม่กลับมาเกิดแบบปุถุชนอีกนี่คำว่าโสดาบันเข้าสู่กระแสคือกระแสแห่งปัจพานไปแล้วเนี่ยด้วยความที่ฝึกมาจนชินแล้วก็จะมีสติรู้กายรู้ใจเพลอบ้างเพล๋อไหมโสดาบันก็เพลอนะร้องไห้ไหมร้องนะโสดาบันนี่ร้องไห้อยากได้อยากกินมีหมดเลยอ่ะแต่มีสติบ่อยมีสติบ่อยสติบ่อยมันแสดงว่าก็เก็บข้อมูลมาให้จิต ด, ดูบ่อยๆเหมือนกัน เคยเข้าใจแล้วก็จริงว่ามันไม่ใช่เราเคยเข้าใจแล้วนะกายนี้ไม่ใช่เราใจนี้ไม่ใช่เรามองมาที่ตัวเองก็ยังไม่มีเราเนยนะแต่มันยังอร่อยอยู่ยังอยากกินอยู่ยังอยากนอนอุ่นๆสบายๆอยากเที่ยวเพลินๆก็มีนะเห็นหลานก็รักหลานนะนางวิสาขาหลานตายก็เสียดายร้องไห้คิดถึงหลานหลานอยู่นี่ก็รักหลานนะอนาถบิณิกะเศรษฐีก็รักลูกตัวเองลูก ไม่ได้ดังใจก็กลุ้มใจทํายังไงให้ลูกมันดีขึ้นมาจ้างให้ไปวัดก็ไปอย่างเงี้ยนะทําอย่างเงี้ยทําหลายๆอย่างร้องไห้ดีใจเสียใจทําได้หมดแต่ว่ามีสติบ่อยทุกครั้งที่มีสติมันก็จะเอาความจริงมาให้ดูเอาความจริงมาให้ดูจะมีข้อมูลใหม่ๆมีข้อมูลใหม่ๆมาย้ําเตือนให้จิตฉลาดขึ้นฉลาดขึ้นฉลาดขึ้นพอมันพอมันก็ตัดอีกครั้งหนึ่งพอก็ตัดอีกครั้งหนึ่งจนครั้งสุดท้ายจะเห็นว่า มันเป็นทุกจริงๆทั้งขันห้าเนี่ยเป็นทุกข์จริงๆขั้นสุดท้ายก็จะเป็นพระอรหันต์คือจะจิตจะการอีกแบบหนึ่งทิ้งขันไปตอนนี้มันมันเห็นว่าไม่ใช่เราก็จริงแต่ว่ามันยังเอาอยู่ยังเสดายอยู่เรามีหน้าที่คือป้อนข้อมูลให้จิตด้วยการเจริญสติเอาของจริงให้จิตดูเจริญสมาธิเห็นอาการของมันทํางานเองมันมีการไหลไปเองเคลื่อนไปเองจิตมันไม่ตั้งมั่นรู้ทันไม่ตั้งมั่นเห็นความจริงได้สมาธิมันเดินปัญญา ถ้าเดินได้ก็ดีถ้ามันยังไม่เดินสอนมันหน่อยสอนในแง่ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนนัตตาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนนัตตาถ้าดูจิตนะดูความไม่เที่ยงบ่อยๆเห็นไหมเมื่อกี้ไม่ใช่อย่างนี้ตอนนี้เป็นอย่างนี้พอดูไปอีกทีอา้าวเปลี่ยนไปแล้วหรือว่ามันคล้ายๆเดิมแต่มันลดระดับลงมาหรือมันคล้ายๆเดิมแต่เพิ่มระดับขึ้นอะไรเงี้ยนะไม่เหมือนกันแต่ละครั้งดูอย่างนี้นะป้อนข้อมูลของมันดูปัจจุบันพอสมควรขอให้ทุกคนมีกําลังในการ ให้ข้อมูลกับจิตด้วยการเจริญสติด้วยการเจริญสมาธิด้วยการเจริญปัญญาให้ทุกคนได้มีเหตุและก็มีกำลังใจในการสร้างเหตุเหล่านี้และก็ทุกคนขอให้ได้ถึงซึ่งที่ที่ตรงเองต้องการก็คือความปนถุกเข้าใจว่าทุกคนในที่นี้เข้าใจแล้วว่าเวียนเกิดเป็นตายเป็นทุกข์ขอให้ทุกคนเนี่ยหมั่นสร้างเหตุ เราก็จะได้สมอย่างที่ประสงค์คือมีปัญญาต้องทำอย่างที่บอกนะเราต้องทำกรรมอันนี้กรรมที่ไม่ดำไม่ขาวอันนี้แล้วผลของการทำกรรมนี้ก็จะได้พบสิ่งที่ไม่ดำไม่ขาวคือพระนิพพานนะว่าทุกคนได้สมความปรารถนาทุก่านทุกคนจเจริญพรนี่เราปิดปิดโดยปิดโอกาสไม่ให้ถามด้วยนะ <laughs> ปัจจัยทั้งหมดขอมอบให้กับชมรมชมรมนี้เป็นเนื้อนาบุญที่ดีอาตมาขอทําบุญด้วยนะเพราะว่างานที่นี่มีประโยชน์มากนะเราได้ประโยชน์จากตรงนี้ด้วยอาตมาเห็นประโยชน์ตรงนี้ขอทําบุญต่อนะใครที่ทําบุญมาได้สองเด้งนะาสาธุอารังสี ม, มาสัมพุโตภะควะ ผู้ทางพระกวาณาบิวาทสวากาโตพรกวตาธรรมโอธรรมอังนามสังสุปฏิปันโนพระกวตสาวกสร้างโคสร้างขังนาม